เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายพระเนนญาติโยมเป็นวันรวมกันส่วนพระสงฆ์ก็ได้ทำโมโสดสังฆกรรมเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนเย็นนี้ก็มีการไหว้พระสวดมนตนน์ต่อไปก็จะได้ฟัง สมโมนิกาถาเขาคงไม่มากวันนี้ก็คงจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งปฏิบัติฟังธรรมฟังธรรมะในจิตใจของตัวเองฟังเทศเท ศ, เทศนาว่าการจากครูบาอาจารย์พวกเราก็ได้ฟังมาจนสับสนบุนไวายไปหมดทั้งที่มันจะเข้ามาแก้กิเลสภายในจิตในใจของพวกเราพอฟังไปแล้ว ไม่รู้จะจับตรงไหนผลที่สุดก็เลยเบื่อกระทั่งการฟังกิเลสมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเบื่อธรรมะแล้วก็มีทหารหลังใส่ทมหันหน้าต่ อ, อมอหนรกหมกไหมเท่านั้นเองนะท่านี้เพราะนั้นพวกเราอย่าเบื่อนะธรรมะธรรมะเนี่ยเหมือนกับยาขมมันต้องฝืนฟังฝืนปฏิบัติ ถ้าฝืนได้แล้วลนะ่ะจิตใจจะได้รับความสงบสุขทีละนิดทีละหน่อยจนถึงบรมสุขก็คือการฝืนนั่นแหลนะถ้าถ้าว่าพวกเราจะปล่อยตามกิเลสเนมีแต่ตกอับตกต่าไปเรื่อยๆหาความสุขสบายใจไม่ได้หรอกถ้าตามกิเลสเหมือนกับกินอาหารตามกิเลสตัวเองนะนะั่นแ่ะอยากอะไรก็กินผลที่สุดมันเป็นเรื่องแสลง กับโรคทำให้ร่างกายอยู่ไม่ได้ต้องตายยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคกินเข้าไปมันขมแต่มันมีประโยชน์ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพวกเราท่านทางหลายกินเด่มธรรมะถึงจะไม่พออกพอใจในพิธีการทำพิธีการพูด หรือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากหนังสือตำรักตำราแต่เราก็จะพยายามฝืนปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้เดินตามทางนั้นแต่ถ้าหาวา่าเราเดินตามกิเลสแล้วชอบอะไรคิดอะไรทําอะไรพูดอะไรต า, ตามอําเภอใจตามมัทธาใจโดยมากมันจะไหลลงทางต่ํามีแต่เรื่องทกทั้งนั้นแหละ มันเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจการเป็นอยู่ของพวกเราทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ต่างว่าเราฝืนเราอดทนเชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ทาทั้งกายทั้งใจของเรานะั่นแหะ จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขคิดมาเมื่ อ, อไหร่ก็สบาย อ, อกสบายใจใจไม่ห่อเหี่ยวไม่ใจไม่เดืดร้อนไม่ฝุ่นวนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุฏิเจ้าของครูบาอาจารย์จะเป็นเทปจะเป็นหนังสืออะไรก็ต่างควรจะนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเองอย่างฟงหลวงตาที่ท่านมาเมื่อคาวที่แล้ว ท่านแสดงทมให้ฟังท่านก็เน้นหนักเรื่องเนี่ยเรื่องความตายเรื่องสติเรื่องอสุภะในร่างกายของคนเราทุกๆคนอสุภะภายนอกอสุภะภายในอสุภะภายนอกพวกเราเห็นท่านทั้งหลายเห็นนะพวกเราเห็นลูกถ่ายสีนามิล้วก็นันแหละชัดๆเลยมันกันแต่ จนอยู่ไม่ได้ในถิ่นนั้นเหม็นคลุงไปหมดอันนี้อสุภะส่วนอสุภะภายในใจของเราเป็นผู้ไปเสกสรร์ขึ้นมานั่นเป็นสุภะนี่เป็นอสุภะมันเกิดมาจา ก, ก จ, จิตใจสิ่งภายนอกมันไม่ได้มันก็เกิดอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ให้ความสําคัญมันมันก็ไม่สําคัญกับตัวของเราแต่ถ้าว่าเราไปให้ความสําคัญ เป็นสุภาษะความสวยงามขึ้นมามันก็สําคัญขึ้นมาในจิตในใจถ้าให้แม่ความสําคัญมันมันก็มันอยู่ในจิตในใจของเราเหมือนกันเพราะนั้นสุภาษะก็ดีอสุภาษะก็ดีไม่ใช่เกิดมาจากภายนอกเกิดจากภายในในทันจะมาเป็นสองอสุภาษะภายนอกอสุภาษะภายในสุภาษะภายนอกสุภาษะภายใน เ, <อ>เพราะฉะนั้นสิ่งสุภาษะภายในนะั่นแหลเป็นสําคัญที่พวกเราจะรอบรู้ เรียนรู้รอบรู้การเคลื่อนไหวของจิตของใจส่วนอสุภาพภายนอกนั้นมันเกิดอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณามันก็เห็นจะสักว่าเห็นเหมือนแพทย์เหมือนหมอเห็นทั่วๆไปนะั่นแหะเห็นว่าเป็นธรรมดาแต่ตามไม่จริงถ้ามาเจอกับตัวเองนะไม่ใช่ธรรมดาถ้าเห็นด้วยปัญญามันอีกอย่างหนึ่งอาจะเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยสังขารปรุงแต่งธรรมดามันก็เห็นแบบ เล e ือนลางๆเห็นตามธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าหางว่าเห็นโดยปัญญาแล้วมันจะเห็นด้วยถอดถอนด้วยกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นด้วยธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเห็นโดยกิเลสแล้วมันอย่างนั้นนะมันเห็นแล้วก็ติดไปเรื่อยๆเพุยนาถ้าอยู่ไปงานก็สวยงามไปเรื่อยๆเป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันเห็นเห็นอีกแบบหนึ่ง พอด้านที่หลวงตาท่านมาอบรมแนะนาสั่งสอนพวกเราท่านก็นเน้นหนักเนี่ยอันดับแรกก็คือพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้นิ่งพอสมควรกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพียนาให้อยู่ในร่างกายให้มีสติอยู่ในร่างกายไม่ให้สับสายออกไปข้างนอกจากนั้นก็สมมติขึ้นมาตั้งเป็นรูปขึ้นมารูปหญิงรูปชายตรงต่อหน้า จากนั้นก็กําหนดดูอ่จิตใจมันเป็นยังไงเห็นรูปสวยงามเป็นยังไงอ่พอเห็นสวยงามก็กำหนดให้ไปตามสภาพของมันเนีต่อไปก็แก่ต่อไปก็ชราต่อไปก็เจ็บต่อไปก็ตายต่อไปก็เน่าก็เปื่อยเนีเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟจากนั้นก็ตั้งขึ้นมาอีกอ่เป็นยังไงใจของเราเมื่อเห็นสวยๆงามๆแล้ว ถ้า ท, ทานวั่นไหวไหมกำหนดดูดูใจของตัวเองเนี่ยที่หลวงตาพูดเทศในวันนั้นจับใจความได้อย่างนี้นคือให้นั่งให้สมมติขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานะนจากนั้นก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายมันมีอะไรบ้างมีกระดูกเนื้อหนังมังสาอสุภะปฏิกูลมีอุจจาระปัจจวะ เต็มอยู่ในท้องในลาไส้ของเรานะี่ไปหมดขี้มุกสเลดเลือดหนองอมีแต่ขี้เต็มไปหมดขี้หูขี้ตาขี้ใครสิ่งเหล่านี้แปลว่าอยู่ในร่างกายของเราถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วความรักสวยรักงามหรือว่าความรักใคร่ชอบใจก็จะขยับขยับออกไปในระดับหนึ่ง เพะนันท่านจึงใหพิจารณาร่างกายอย่างวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดมากหลวงพ่อให้พิจารณาสามอย่างนะสําหรับเป็นการบ้านของเราในขณะนี้นะหลวงพ่อให้พิจารณาสมอย่างให้พวกเรากําหนดหรือพิจารณาสประเด็นสมข้อคิดสมเรื่องสมแนวความคิดนะ ความคิดอันดับแรกให้พวกเรานั่งสมาธิหลวงพ่อเอานั่งสมาธิพวกเราประนเมเอละลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์จบลงไปแล้วนั่งขัดสมาธิกำนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธให้จิตใจอยู่กับตัวเองชักช่วงระยะหนึ่งจะเป็นห้านาทีก็ได้สามนาทีก็ได้สองนาทีก็ได้ ไม่ให้มันฟุง้งซ่านบังคับให้อยู่กับตัวเองจากนั้นไงพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนให้พิจารณามองเข้ามาข้างในของตัวเองเข้ามาดูกายของตัวเองที่นั่งอยู่เนี้ยตอนเช้าเราฉันอาหารเราทานอาหารเราเคี้ยวอาหารให้พิจารณาดูว่าการเคี้ยวอาหารในร่างกายของเราคือการใส่ปุ๋ยใส่น้าของต้นไม้ ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยใส่น้ําต้นไม้ต้นไม้เราอับเฉาตายได้ง่ายๆแต่มันจะทนกว่าเราแต่เรานี่ไม่ถึงสิบถ้าไม่กินอะไรเลยไม่ถึงเดือนหรอกเสร็จไม่กินน้ําไม่กินข้าวไม่ทานอาหารไม่ดื่มน้ําอปิดจมูกก็ลิีบยิ่งเร็วเร็วใหญ่ถ้าไม่หายใจไม่นานหายใจก็คือออกซิเจนเข้าจมูกเพื่อผ่องไทยของร่างกาย คือธาตุลมคือร่างกายของเรามีอยู่ธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงดินน้ำลมไฟเราจะให้พิจารณากําหนดดูข้างในดูอาหารที่เขาไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นน่ะอันดับสองอันดับแรกคือให้ภาวนากําหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพอจิตสงบอยู่เป็นอย่างแนละ้วกำหนดดูการชันอาหารของเราการทานอาหารของเรา ทุกคนเวลาเคี่ยวอาหารมันเปืออเป่อนกับอะไรเปื่อนกับน้ำลายไม่ใช่ไหมเปื่อนกับน้ำลายใช่ไหมถ้าคนไม่มีน้ำลายเป็นไงอร่อยไหมไม่อร่อยอมันเปื่อนกับน้ำลายเวลาคายออกมาล่ะสกระปรกไหมสกรปรกจะเกืนเคี้ยวว่าอีกได้ไหมเอาไปให้คนอื่นกินเขากินไหมไม่ได้พอมันเปื่อนน้ำลายน้ำลายเป็นของปฏิกูลใช่ไหมคงจะตอบว่าใช่ พอกินเสร็จแล้วเคี้ยวเสร็จแล้วกระดกเข้าไปลงไปในลําคอลําคอมันก็เป็นเหมือนกับลําไส้มันต่อจากลําคอลงไปจากนั้นถ้ามันติดมันข่องอยู่ที่ไหนเรียกว่าแค้นอาหารเรียกว่าอาหารติดคอเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ลลมนําไล่ลงไปเหมือนกับไล่ลงไปในยในลใําไส้พอถึงลําไส้เสร็จแล้วมันก็วิว่งลงไป ลำไส้ของเรามันมีกี่ขดหลายขดนะักขดไปขดมาขดมาขดไปมันก็ตรงวิ่งไปตามเรื่องของอาหารแต่ละลำไส้แต่ละขดมีความหมายของมันพยายามบดขยี้อาหารพยายามแยกแยะอาหารจากนั้นก็ตกลงไปในกระเพาะเมื่อถึงกระเพาะอาหารอาหารกระเพาะอาหารก็ทํางานอะไรแต่เนี่ยเลือดทั้งหลายในร่างกายกันลุมกันมาเหมือนก้าทหารทั้งหลายมาช่วยทํางานที่กระเพาะ ว่า ง, งานตกให้เขาทํางานแล้วในร่างกา ย, เ, ยเหมือนกับโรงงานมันมีโรงสีมันมีข้าวเข้าไปแล้วมันก็ต้องสีข้าวเหล่านั้น่ะอันนี้ก็บเพาะของเราเหมือนกันทํางานหนักไปทันี้ตึงตังตึงตังตึงตังถ้าว่าคนแก่หรือมากผู้สูงอายุผู้เลือดน้อยอเวลาทานอาหารเสร็จแล้วนจะห่วงเหงาเผลอนอนหลับโดยอัตโนมัติเพราะเหตุไรเพราะว่า เลือดมันไปช่วยย่อยอาหารในลําไส้ในกระเพาะทําให้คนนั้นห่วกผู้เท่าผู้แกนห่วกหลับคาคําข้าวว่างั้นะพอเหตุลายกระเพาะเนี่ยพอเลือดไปเลี้ยงไปทํางานที่กระเพาะจากนั้นพอมันทํามันก็เน่าเ อ, อมันก็ย่อยสลายทั้งที่ตะกอรมันเป็นผักเป็นอะไรเข้าไปจากนั้นกระกระเพาะกระดูก ซึมเข้าสูร่ร่างกายอ่าพอซึมสูรสร่ร่างกายนะ่ยร่างกายก็กหมืที่กระเป๋าเพราะได้ปุ๋ยได้น้ำได้อาหารได้ออกซิเจนจากนั้นก็พอเสร็จแล้วมันก็ต้องมีกลากอาหารเหล่านั้นก็ไหลลงไปส่วนข้างล่างเป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปแล้วทไง น, นี่แหละร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ผลที่สู่ก็เป็นอุจจาระมาเป็นยังไงเป็นที่ปรารถนามไหม ทั้งที่ตอนชา้าเราทานอาหารอริอร่อยแต่พอตกตอนเย็นตอนค่าตอนวันพรุ่งนี้ขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ขยะขยะงั้นนี่ร่างกายให้พิจารณาตามความเป็นจริงนะีอันนี้คืออันหนึ่งะแต่ว่าอันที่สองนะให้กําหนดดูอย่างนี้นะอันที่สามเหมือนก็นให้พิจารณาเมื่อครั้งก่อนเพราะการพิจารณาครั้งก่อนไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวแล้จะจบไม่ใช่ จนเกิดความเบื่อหน่ายคลายถอนเห็นความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงหยุดการพิจารณาแต่ถ้ายังถอนไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องโยกต้องคลอนต้องพยายามถอดถอนอยู่อย่างนั้นคือให้พิจารณาร่างกายให้เป็นกระดูกอันดับที่สามนะให้เป็นกระดูกกําหนดตั้งแต่ศีรษะลงมากระโหลกศีรษะเราเป็นยังไงกระโหลกของคนมันเป็นเหมือนกับ ฟันหมาตายเป็นหยักๆ อ, อ, อย่างงั้นเน yeah. ื้อสีเฟียงจากนั้นก็ข้างในก็เป็นมันสมองเราไม่ต้องพี่ถึงมันสมองไม่ต้องคิดเราพิจารณาถึงกระดูกอย่างเดียวขอเขาเนี่ยดูพิจารณากระดูกกําหนดดูกระโหลกศีรษะตัวเองจากนั้นก็พิจารณาถึงตาของตัวเองมันตาโหวจมูกวีกเพราะมันไม่มีเนื้อเลยจากนั้นก็มีปาก มีฟันข้างบนมีฟันข้างล่างแล้วก็มีขากันไกลจากนั้นก็มันไปจดกับลำคอลาคอเราเป็นป่องๆจากนั้นก็มาจดที่ไหล่หปารากระดูกไทลถ้าก็มากระดูกแขนขวาห่ืมีป่องเดียวแล้วก็มากระดูกข้อศอกเป็นปมเป็นขอดตรงที่มันให้ขยับได้ พับได้จากนั้นเป็นแขนมีกระดูกสองชี้จากนั้นข้อมือลงมาหาฝ่ามือจากนั้นก็เป็นนิ้วมือเป็นนิ้วๆเป็นชี้ๆเป็นข้อๆปลายแหลมปิดเมื่อไม่มีเนื้อละมีแต่กระดูกปลายแหลมปิดนิ้วมือแต่ละนิ้วสั้นยาวต่างกันอย่างที่เราเห็นนี่นะกระดูกนิ้วโป้งก็ใหญ่แต่นิ้วกลาง นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจากนั้นก็กำหนดลงละกระดูกให้เห็นกระดูกแล้วก็ข้อมือแขนต่องข้อศอกกระดูกศอกกระดูกแขนขึ้นมาโคนแขนไหายปลกระดูกไหายปลจากนั้นกามาแขนซ้ายกําหนดดูอีกอย่างเก่าจากนั้นกาหนดลงไปสันหลังเป็นข้อๆแล้วก็มีกระดูกชี้โคง้ง เมื่อมาหุ้มปอดเอาไว้แต่ไม่ต้องเพิจารณาปอดเฮดแค่กระดูกอย่างเดียวเ่ยมันหุ้มปอดเอาไว้จากนั้นกขาลงไปถึงกระดูกสันหลังฮตุ่มตุ่มลงไปกระดูกที่ช่วงเอวลงไปช่วงที่มันต่อลงไปกับกับเชิงการกระดูกเชิงการานจากนั้นกับพิจารณาลงไปถึงกระดูกเชิงการานจากนั้นกัเป็นกระดูกขา กระดูกหัวเขา่าช บ, บาหัวเขา่ากระดูกหัวเข่ากระดูกแท่งมีสองท่อนมีสองชีจากนั้นก็ลงไปกระดูกเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้ า, าแหลมปิดเหมือนกันสั้นๆกระดูกนิ้วเท้ามีฝ่าเท้ากระดูกทั้งหมดจากนั้นก็ขึ้นมาดูเชิงการกระดูกสะโพกลงไปกระดูกข้างซ้ายเพื่หนานดูขา กระดูกขามันคดรโคค้งโค้งหน่อยนะจากนั้นกมีกระดูกหัวเขา่ามีกระดูกฉีบ้ามีกระดูกแข้งมีสองซี่ซี่ใหญ่กับซี่เล็กกระดูกแข่งจากนั้นก็กระดูกข้อเท้ากระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้านี่ละวันนี้ให้พวกเราพิจารณาอย่างนี้นะอันดับแรกให้พิจารณา ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซะก่อนพุทโธพุทโธทำจิตให้สงบอย่างน้อยสักสองสามสี่ห้านาทีจากนั้นก็เพรณ า, าถึงมองเข้าข้างในเคี้ยวอาหารกินอาหารให้ดูอจุพะในร่างกายของเราจนถึงอุจจาระเป็นที่พอใจไหมทุกคนมีอย่างนั้นไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ไม่รู้ว่ายศถาบรรดา สักสูงส่งล่ำรวยทุกอย่างขนาดไหนมีขี่มีเยี่ยวมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงกําหนดดูอย่างนี้แล้วสักสามสีเที่ยวนะจากนั้นก็กําหนดกระดูกวันนี้นะให้พิจารณากระดูกดูสิแตนี่ยเป็นไงกระดูกศีรษะจนถึงฝาเท้าจจากฝาเท้าขึ้นมาศีรษะจากศีรษะลงไปฝาเท้าให้ตลบไปตลบมาตลบไปตลบมาไม่ต้องให้คิดไปทางอื่นวันนี้ ให้อยู่ในสามกรรมฐานนี่นะทดลองดูนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้นั่งภาวนาเอานั่งคัดสมัตตต่อไปนะนั่งขัดสมาธิจากนั้นก็ปน ม, มือและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็นึกพุโทโธพุธโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อจิตอยู่ในความสงบนิ่งพอสมควรแล้วก็ให้มองเข้าข้างในอย่างที่ว่าเนยนะอมอง ตั้งแต่กินอาหารตอนเช้ากระดกเข้าไปในลําคอไหลลงไปยังไงสภาพมันเป็นยังไงจนถึงจ่อยจนถึงออกจนถ่ายออกเป็นยังไงนี่แหละเป็นไอพิจารณากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือร่างกายของเรานี่แหละเพราะนั้นให้กําหนดให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นยังไงอยู่ในสภาพอย่างไรถ้าคนรู้เท่ารู้ฐานร่างกายแล้วจะไม่หลงนะ จะถอนทิฏฐิหรือถอนอัตตานุทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถ้าไม่ยึดมั่นในร่างกายแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้ายึดร่างกายเป็นของสวยงามเป็นของเราเมื่อร่างกายเป็นของเราคนอื่นก็เป็นของเราลูกสามีปัญญาเป็นของเราบ้านช่องเป็นของเราเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นของเราจักรวาลของเราผลสุดกิเลสเท่าคูผาป่าไม้เต็มไปหมดในโลกจักรวาล ถ้าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งอื่นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าให้ถอนอย่างนั้นผลนั้นวันนี้พวกเราทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะสิเป็นยังไงน ะ, อะตอนนี้ไปนั่งสมาธิ